เรื่องทรงอนุญาตภิกษุเทระแสดงธรรมโดยไม่ต้องได้รับอาราธนาสมัยนั้นผู้ภิกษุชากีไม่ได้รับอาราธนาก็แสดงธรรมในถ้ำกลางสงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงสร้างพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ได้รับอาราธนาไม่พึงแสดงธรรมในถ้ำกลางสงรูปใดแสดงต้องอาบัตรทุกขกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุ ผู้เทระแสดงธรรมเองหรือให้อรัฒนานิกษุอื่นแสดง